เป็นนั้นว่าเราอให้ไปโอนไปหนึ่งล้านแหะแต่เคลว่อนไม่น่าจะเสร็จแต่กระจวนจะเสร็จนั่นะแหละน่ะนจะตุ ป, ปัจจัยวันพุ่งนี้มาเลยเนี่ยก็จะได้ไปสีนครินสีนครินตอกก่อนทุกปีหลวงพ่อก็ทุ่มให้สีนครินแต่เดี๋ยวนี้สีนครินก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเอหลวงพ่อคูณก็ได้เอาเงิน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 ทีอย่างไงข้าพระเจ้าก็จะตายอยู่แล้วอทุกคนก็ตายอยู่แล้วหลวงพ่อก็จะตายอยู่แล้วเราก็จะตายอยู่แล้วอย่าให้เป็นภาระของผู้อื่นหนะ้าะแต่ว่าจะให้ตายแบบรถชนบ่แขวนคอตัวเองตายบ่เราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะอแปลว่าเจ็บไข้ได้ปวดหมดอายุแล้วใครมันใจขาดไปเลยจบจบชีวิตนึ่งพอเราคิดอยู่แล้วทุกลมหายใจเข้าออก <c oughs> เราภาวนาไว้อยู่เสมอ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 อทำไมฆ่าจะได้กินอะไรทำไมหลวงพ่ออินพูดได้อย่างไงถ้าไม่กินเราจะฆ่าเราจะกินอะไรทำไมฆ่าเออ่าท้าว่าเขามาฆ่าเราล่ะเอยถ้าเสือบวกใครก็าตามอยากจะกินเนื้อของเราถ้าไม่ฆ่าคุณนะนอย่างแล้วเราจะได้กินอะไรขอฆ่าคุณขอฆ่าเธอจะนั่นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนที่หลวงพ่อนํามาพูดคือหัวใจเขา หัวใจเราเราเขาเราเขาเราเขาอในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเราไปประพฤติผิดละาบและล่วงในสามีลูกหลานของคนอื่นเขาเขารู้สึกอย่างไรในเมื่อเขามาให้ทํากับเราเรามีความรู้สึกอย่างไร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 ที่หลวงพ่อว่าอากตังลุกตังความชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าความชั่วเมื่อทำลงไปแล้วจะเดือดจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังมันไม่จะแจ้งหลวงพ่อว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าทำเเลยดีกว่าเมื่อเราทำลงไปแล้วเมื่อกฎหมายเขาเล่นงานกฎหมายทางถูกเล่นงานเพราะเราทำผิดเนะี่เมื่อกฎหมายทางถูกเล่นงานตนเองนั่นแหละ